ปัญหาต่างๆที่มีอยู่ภายในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในระดับบุคคลหรือปัญหาในระดับครอบครัวปัญหาในระดับหมู่บ้านปัญหาในระดับตำบลอำเภอจังหวัดตปัญหาระดับประเทศ หรือปัญหาระดับโลกล้วนมีสาเหตุมาจากเหตุอันเดียวกันก็คือเกิดจากใจที่ไม่สงบแนเ่เมื่อใจไม่สงบใจก็ไม่มีความสุขในตนเองเมื่อไม่มีความสุขในตนเองก็ออกไปหาความสุขภายนอกกัน พอออกไปหาความสุขภายนอกก็ไปหาความสุขโดยวิธีที่เกิดปัญหาต่างๆ ต, ตามมานี่คือปัญหาของโลกอยู่ที่ใจที่ไม่สงบนี่ถ้าใจมีความสงบใจจะมีความสุขเมื่อมีความสุขก็จะมีความพอไม่ต้องออกไปหา อะไรมาให้ความสุขกับใจก็ไม่ต้องไปมีการกระทาอะไรต่างๆที่ทำให้เกิดเป็นปัญหาขึ้นมาวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องก็คือต้องมาแก้ปัญหาที่ใจกันแก้ปัญหาที่ใจไม่สงบนี้ถ้าแก้ปัญหาที่ใจ ที่ไม่สงบนี้ให้สงบได้แล้วปัญหาสำหรับใจดวงนั้นก็จะหมดปัญหาไปถึงแม้ว่าโลกนี้ยังจะมีปัญหาต่อไปก็จะไม่เป็นปัญหากับใจดวงนั้นแล้วอย่างใจของพ่อพระพุทธเจ้าใจของพระ อ, อาหลานตสาวกทั้งหลายท่านไม่มีปัญหา กับปัญหาต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้การที่จะแก้ปัญหาต่างๆนั้นไม่สามารถที่จะทำบุคคลใดบุคคลหนึ่งนี้ไม่สามารถที่จะมาแก้ปัญหาให้หมดไปได้แต่ละบุคคลนี้จะต้องมาแก้ปัญหาที่ตนเองคือมาทำใจของตนเองให้สงบ เมื่อใจของตนเองสงบแล้วปัญหาต่างๆก็จะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปเพราะจะไม่เดือดร้อนกับการกระทำอะไรต่างๆของผู้อื่นไม่เดือดร้อนกับการเจริญหรือการเสื่อมของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้พระพุทธเจ้าจึงเป็น พระ อ, องค์แรกที่รู้จักวิธีแก้ปัญหาคือแก้ปัญหาที่พระ อ, องค์เองก่อนเมื่อทรงแก้ปัญหาของพระ อ, องค์เองได้แล้วขนําเอาวิธีที่พระ อ, องค์ได้ทรงแก้ปัญหาของพระ อ, องค์นี้เอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นต่อไปผู้ที่ได้ยินได้ฟัง แล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติก็จะสามารถแก้ปัญหาที่มีอยู่ในใจของตนได้ใจที่หิวที่อยากดินรนหาความสุขต่างๆจากทางร่างกายจากทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะหมดไปใจมีความสุขอยู่ในใจไม่ต้องออกไปหาความสุขภายนอก ถ้าทุกคนสามารถที่จะแก้ปัญหาของตนเองได้โลกนี้ก็จะหมดปัญหาไปปัญหาของโลกนี้จึงต้องมาแก้ในระดับบุคคลคือทุกคนต้องมาแก้ปัญหาของตนเองถ้าตนเองแก้ปัญหาของตนเองได้แล้วปัญหาของผู้อื่นก็จะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป ถึงแม้ว่าโลกนี้จะมีปัญหาอยู่มากน้อยเพียงไรใจที่มีความสงบแล้วก็จะไม่มีปัญหากับปัญหาต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้จะช่วยแก้ปัญหาต่างๆไปตามกําลังของตนอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแก้ปัญหาต่างๆให้กับโลก โดยการสอนธรรมะวิธีปฏิบัติที่จะทําให้ใจสงบที่จะทําให้ใจสุขที่จะทําให้ใจหมดปัญหาส่งสอนให้แก่ผู้ที่มีศรัทธาความเชื่อที่มีความสนใจน้อมนําเอาไปปฏิบัติเมื่อเขาเหล่านั้นนําเอาไปปฏิบัติและได้รับผลแล้วเขาก็จะช่วย เผยแผ่ความรู้อันนี้ไปให้แก่ผู้อื่นอีกพระพุทธศาสนาจึงมีผู้ที่มีความเคารพนับถือศรัทธาเป็นจำนวนมากก็เพราะมีผู้ที่รู้วิธีแก้ปัญหาของใจนี้นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนกันมา กันอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่วันแรกที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระธรรมคำสอนจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็มีการนำเอาวิธีแก้ปัญหาของใจที่ไม่สงบนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่เพื่อนร่วมโลกเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายให้ได้ แก้ปัญหาให้ได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบของใจถ้าได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบของใจแล้วปัญหาต่างๆก็จะหมดไปสําหรับใจดวงนั้นร่างกายของบุคคล น, นั้นจะเป็นอะไรจะมีสุขภาพดีไม่ดีก็จะไม่เป็นปัญหารักษาได้ก็รักษาไป รักษาไม่ได้ก็อยู่กับมันไปถ้ามันจะตายก็ปล่อยให้มันตายไปปัญหาระหว่างบุคคลก็จะไม่มีปัญหาบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้จะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้ถ้าแก้ได้ก็แก้กันไปแก้ไม่ได้ก็อยู่กันไปอยู่กันไปจนกระทั่งจากกันไปไม่ว่าจะเป็นปัญหาอันไรก็ตาม บุคคลที่มีความสงบมีความสุขแล้วก็จะแก้ไปตามเหตุตามผลตามกําลังตามปัจจัยแก้ได้ก็แก้ไปแก้ไม่ได้ก็อยู่กับมันไปไม่เดือดเนื้อร้อนใจไม่วุ่นวายใจไม่ทุกข์ใจไม่กังวลใจอยู่กับมันได้ไม่ว่าจะ แก้ได้หรือแก้ไม่ได้นี่แหละคือการแก้ปัญหาที่ถูกต้องต้องมาแก้ปัญหาที่ใจที่ไม่สงบนี้ทำใจให้สงบนี้ทำใจที่ไม่สงบนี้ให้สงบให้ได้ให้สงบอย่างถาวรเมื่อสงบอย่างถาวรแล้วปัญหาต่างๆก็จะหมดไป ดังนั้นหน้าที่ของผู้ที่มีใจที่ไม่สงบจึงควรมาแก้ปัญหาที่ใจของตนอย่าไปแก้ปัญหาต่างๆของคนอื่นหรือของร่างกายให้มาแก้ที่ใจจะดีกว่าปัญหาของร่างกายที่ต้องดูแลก็ดูแลไปพอ ให้อยู่อย่างปกติได้ควรควรจะเอาเวลาส่วนใหญ่นี้มาแก้ปัญหาที่ใจให้มันหมดไปให้ได้ดังนั้นผู้ที่ต้องการที่จะแก้ปัญหาใจจึงต้องหาเวลาจึงต้องมีเวลาที่จะมาแก้ปัญหา มาทําใจให้สงบการที่จะมีเวลาก็ต้องดึงเอาเวลาที่เอาไปใช้กับกิจกรรมอื่นๆที่ไม่จําเป็นเช่นการทำมาหากินก็ควรจะทํามาหากินเพื่อปากเพื่อท้องเท่า น, นั้นก็พอหารายได้มาจุนเจือให้ร่างกายนี้อยู่ไปได้อย่างปกติสุข ไม่ต้องหามามากเกินไปต่อความต้องการของร่างกายคือไม่ต้องหามเงินหาทองมาเพื่อให้ได้เป็นมหาเศรษฐีให้มีเงินใช้ไปอีกสิบชาติก็ใช้ไม่หมดหาแบบนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะความต้องการของร่างกายนั้นมีเพียง ไม่มากถ้ามากไปกว่า น, นั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรเอามาทําประโยชน์อะไรไม่ได้แล้วก็จะเสียเวลาไปเปล่าๆจะไม่มีเวลาที่จะมารักษาใจจะไม่มีเวลาที่มาทําใจให้สงบกันนี่คือประเด็นแรกสําหรับผู้ที่ต้องการที่จะมาแก้ปัญหาของใจ มาทำใจให้สงบจำเป็นจะต้องหาเวลามาให้ได้เพราะถ้าไม่มีเวลาก็จะไม่มีเวลาที่จะมาทำให้ใจให้สงบได้ใจนี้จะไม่สงบโดยตนเองจะไม่สงบโดยการที่ไปทำงานหาเงินหาทองได้มามากมากมายกายกองจะไม่ได้ทำให้ใจสงบ แต่กับจะทำให้ใจนั้นวุ่นวายเพิ่มมากขึ้นไปอีกถ้ายิ่งมีมากก็ยิ่งเป็นภาระมากแก่จิตใจจิตใจก็ต้องคอยวุ่นวายกับการดูแลรักษาอย่างนั้นสิ่งที่บุคคลที่ปรารถนาที่จะมาแก้ปัญหาทางจิตใจจึงควรจะลดภารกิจการงานต่างๆ เพื่อจะได้มีเวลามาทำใจให้สงบกันนอกจากเวลาที่เอาไปใช้กับการหาเงินหาทองเพื่อมาเลี้ยงปากเลี้ยงทองแล้วก็ต้องลดเวลาที่เอาไปใช้กับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่สามารถที่จะมาทำใจให้สงบได้ แต่กลับจะทำให้ใจนั้นพุ้งเพิ่มมากขึ้นไปเพราะจะสร้างความอยากให้มีเพิ่มมากขึ้นไปอีกความอยากนี้จะเป็นตัวที่คอยกระทุง้งคอยกระตุ้นให้ใจต้องกระเพิ่มต้องดิ้นต้องขวนขวายต้องตะเกียกตะกายแสวงหาความสุขอยู่เรื่อยๆความสุขทางตาหูจมูกเล่นกาย ก็จะทำให้ไม่มีเวลาที่จะมาทำใจให้สงบเ น, น, นั้นต้องลดกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ให้หมดไปกิจกรรมการหาเงินหาทองก็หามาพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ก็พอกิจกรรมที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกรินกายก็ต้องลดละหรือกาจัดไปให้หมดเลยอย่างนักบวชทั้งหลายนี้ท่าน ท่านตัดกิจกรรมการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกิจกรรมสำหรับเลี้ยงปากเลี้ยงท้องท่านก็ใช้เวลาวันละไม่กี่ชั่วโมงเช่นออกไปบินธบาตกลับมาฉันถ้าอยู่องค์เดียวนีส่สองสามชั่วโมงก็จะเสร็จภารกิจในเรื่องการเลี้ยงปากเลี้ยงทองภารกิจหรือ ก, กิจกรรมเกี่ยวกับ การหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะตัดไปหมดก็จะมีเวลาที่จะมาบำเพ็ญมาทำใจให้สงบนี่แหละคือแบบฉบับของการหาความสุขหาความสงบของใจแก้ปัญหาของใจที่ไม่สงบที่วุ่นวายไปกับเรื่องราวต่างๆ ไปกับเหตุการณ์ ต, ต่างๆไปกับความอยากต่างๆเยต้องมีเวลามาบำเพ็ญถ้าไม่มีเวลาจะไม่สามารถที่จะทำใจให้สงบได้อย่างถาวรพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทุกลูกท่านจึงสละภารกิจการงานต่างๆที่ไม่จำเป็นออกไปสละ กิจกรรมต่างๆทางตาหูจมูกมือกายออกไปให้หมดแล้วก็มาอยู่แบบนักบวชมาสร้างคุณธรรมสร้างเครื่องมือที่จะทำให้ใจนี้สงบไปตลอดเครื่องมือที่จะทำให้ใจสงบนี้ก็มีสมชิ้นใหญ่ๆสามชิ้นหลัก ก็สติสมาธิและปัญญาด้วยการสนับสนุนของความภาคเพียนคือวิริยะถ้าไม่มีวิริยะก็จะไม่สามารถสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาขึ้นมาได้ต้องมีวิริยะความอุตสาหะความภาคเพียนความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่น ถ้าอยากให้ใจมีความสงบต้องมีความพยายามที่จะเจริญสติให้มากเพื่อที่จะได้ทำใจให้สงบเป็นสมาธิเมื่อใจสงบเป็นสมาธิใจจะมีความสุขที่เกิดจากความสงบใจก็จะสามารถต่อสู้กับความอยากต่างๆที่จะดึงใจให้ออกไป หาปัญหาต่างๆด้วยการแนะนําของปัญญาปัญญาจะเป็นผู้สอนใจให้รู้ว่าการกระทําตามความอยากต่างๆนั้นไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาแต่เป็นการสร้างปัญหาปัญหายาเสพติดนี้เกิดจากอะไรเกิดจากการอยากไปเสพ ย, ยาเสพติดนั่นเองถ้าไม่อยากเสพยาเสพติด ปัญหายาเสพติดก็ไม่มีปัญหาอบายามุกต่างๆก็เป็นเหมือนกันถ้าไม่มีความอยากที่จะเสพอบายามุกปัญหาคลังอบายามุกก็จะไม่มีเั้นปัญหาทั้งปวงนี้เกิดจากความอยากซึ่งปัญญาจะเป็นผู้ที่จะพิจารณาสอนใจให้เห็นว่าเป็นการไปหาความทุกข์ไม่ใช่เป็นการไปหาความสุข การกระทำตามความอยากต่างๆไม่ว่าจะเป็นความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือความอยากมีอยากเป็นหรืออยากให้สิ่งนั้นบุคคล น, นั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือความอยากให้ไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้ล้วนเป็นตัวที่จะดึงใจให้ไปสร้างปัญหาไม่ใช่ไป เป็นการไปแก้ปัญหาวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องก็คือต้องกลับเข้ามาสู่ความสงบเท่านั้นการจะกลับสู่ความสงบได้ก็ต้องไม่ไปทำตามความอยากนี่คือขั้นตอนของการรักษาใจให้มีความสงบให้มีความสุขรักษาด้วยสติเป็นขั้นต้นเจริญสติให้มาก ควบคุมความคิดให้ได้หยุดความคิดปรุงแต่งให้ได้เมื่อหยุดความคิดปรุงแต่งได้แล้วใจจะรวมเข้าสู่สมาธิพอรวมแล้วก็จะมีความสุขที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่านัตถิสันติปรังสุขขังไม่มีสุขใดที่จะเหนือกว่าความสุขที่ได้จากความสงบของใจพอได้ความสุขแบบนี้แล้ว ก็ต้องเพียรรักษาเพราะว่าจะไม่สามารถให้ใจอยู่ในสมาธิไปตลอดเวลาได้พอออกมาจากสมาธิตันหาความอยากที่ยังไม่ได้รับการทำลายก็จะโผล่ขึ้นมาจะมาดึงใจให้ไปหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นว่า เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่จะมีความทุกข์ตามมาต่อไปเพราะเวลาสูญเสียสิ่งที่ให้ความสุขไปก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วก็จะเกิดความอยากที่จะได้สิ่งอื่นมาทดแทนต่อไปก็จะต้องหาไปเรื่อยๆหามาได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปก็ต้องหามาใหม่ หามันไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆค ว, ความสงบก็จะไม่มีแต่ถ้าใช้ปัญญาสอนว่าการกระทำตามความอยากนี้จะเป็นการสร้างความทุกข์ให้แก่ใจสร้างความวุ่นวายให้กับใจไม่รู้จักจบจากสิน้นวิธีที่จะทำให้ใจสงบหลังจากออกสมาธิมาแล้วก็ต้องหยุด ต้องฝืนไม่ทําตามความอยากต่างๆถ้าใจมีสมาธิและมีปัญญาจะสามารถที่จะฝืนความอยากหยุดความอยากได้อย่างง่ายได้ต้องมีสมาธิก่อนถ้ามีแต่ปัญญาอย่างเดียวไม่พอคนที่ไม่ฝึกสมาธิแล้วมีปัญญารู้ว่าการทําตามความอยากนี้เป็นอันตรายเป็นพิษเป็นภัย เป็นการสร้างปัญหาไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาแต่จะไม่มีกำลังไม่มีความสามารถที่จะฝืนความอยากได้แต่ถ้ามีสมาธิแล้วฝืนได้เพราะใจมีความสุขแล้วใจไม่ต้องมีอะไรเพิ่มเติมก็มีความสุขแล้วนี่คือความสำคัญของสมาธิ สมาธินี่แหละจะทำให้ปัญญาที่เป็นสุตมยปัญญาหรือจินตามะยปัญญานี้มาเป็นภาวนามะยปัญญาภาวนาก็คือส ม, มถาภาวนานี่เองส ม, มถาภาวนาทอทำใจให้สงบก็มีส ม, มถาภาวนาพอพิจารณาทำพิจารณาตายลักพิจารณาอนิจจทุกขังอนัตตา พิจารณาอสุภะพิจารณาอาหาเรเลยปฏิกรูลสัญญาก็จะเป็นภาวนามายัปัญญาปัญญาที่จะละตันหาความอยากได้ถ้าไม่มีสมถภาวนาก็จะเป็นจินตามายะปัญญาพิจารากี่ครั้งกี่หนกี่รอบเวลาเกิดตันหาความอยากขึ้นมาก็สู้ไม่ไหว นี่คือความสำคัญของการสร้างสมาธิขึ้นมาการปฏิบัติพระพุทธเจ้าสรงสอนเป็นขั้นเป็นตอนศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนาทมเหล่านี้เป็นธรรมเหมือนขั้นบันไดเป็นธรรมที่สนับสนุนกันสมาธิสนับสนุนให้เกิดปัญญาขึ้นมา ปัญญาสนับสนุนให้เกิดวิมุตติคือการหลุดพน้นการหลุดพ้นก็คือการละตันหานี่เองละตันหาแล้วก็จะหลุดพ้นจากความวุ่นวายใจต่างๆหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆเข้าสู่ความสงบที่ถาวรต้องมีทำที่เป็นขั้นเป็นตอนสนับสนุนกันขั้นแรกก็คือศีลศีลก็คือศีล ห้าศีลแปดศีลสองร้อยยบเจ็ดเมื่อมีศีลแล้วก็จะสนับสนุนในการเจริญสมาธิในการบำเพ็ญสมถะภาวนาจเจริญสติเมื่อมีสติก็จะทำให้ใจรวมเข้าสู่ความสงบเป็นอุเบกขาเมื่อมีอุเบกขาแล้วก็สามารถใช้ปัญญาพิจารณา ไยรักได้พิจารณาอสุภะพิจารณาอาหารเลยเป็ดปฏิกลรสัญญาได้เมื่อพิจารณาได้เห็นว่าเป็นโทษเห็นว่าเป็นทุกข์ก็จะละได้ละได้ก็จะหลุดพ้นได้นี่คือวิธีการที่ผู้ที่ต้องการแก้ปัญหาของใจ ต้องแก้ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้แก้เพราะเป็นวิธีเดียวกันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแก้มาแล้วก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นเหมือนพวกเราท่านก็มีความวุ่นวายใ จ, จต่างๆนานาวุ inea, ่นวายไปกับเรื่องของสุขภาพร่างกายเรื่องวุ่นวายไปกับเรื่องเรื่องปากเรื่องท้องวุ่นวายไปกับการหาความสุข ทางตาหูจมูกเล่นกายหามาได้เท่าไหร่ก็หมดไปต้องหามาเพิ่มใหม่อยู่เรื่อยๆจัดงานเลี้ยงกันกี่วันกี่ครั้งก็ต้องกลับมาจัดกันอยู่เรื่อยๆทุกปีจึงมีกงานเลี้ยงงานฉลองกันอยู่ตลอดเวลาเลี้ยงงานฉลองปีใหม่ปีใหม่สากลแล้วก็มาเลี้ยงฉลองปีใหม่จีนปีใหม่จีนเสร็จก็มาเลี้ยงฉลองปีใหม่ไทย เลี้ยงฉลองวันเกิดเลี้ยงฉลองอะไรต่างๆกันอยู่เรื่อยๆเลี้ยงกันไปได้อะไรฉลองกันไปได้อะไรมันก็หมดไปเท่านั้นพอเลี้ยงเสร็จฉลองกันเสร็จความสุขที่ได้มันก็หายไปหมดก็ต้องมาเลี้ยงกันใหม่ฉลองกันใหม่หรือไม่เช่นนั้นก็ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆกันไปเที่ยวสถานบันเทิงไปเที่ยวสถานท่องเที่ยว ทั้งในประเทศและนอกประเทศต่อไปก็จะไปท่องเที่ยวในนอกโลกกันจะไปโลกพระจันทร์ไปโลกอังคารกันต่อให้ไปถึงโลกไหนก็ตามเถิดมันก็จะไม่มีวันจบเพราะว่ามันไม่ได้ทำให้ใจสงบนั่นเองการที่จะทำให้ใจสงบนี้เราต้องดึงใจให้เข้าข้างในไม่ส่งออกไปข้างนอก การส่งใจออกไปข้างนอกไปหาความสุขภายนอกนี้เป็นการกระทาที่ผิดเพราะไม่ได้ไปหาความสุขกันแต่ไปหาความทุกข์กันต้องดึงใจให้เข้าข้างในให้เข้าสู่อัปปนาสมาธิอันนั้นแหละคือจุดของความสุขของใจอยู่ตรงนั้น เมื่อเข้าถึงตรงนั้นแล้วก็ต้องรักษาความสุขที่ได้จากอั ป, ปนาสมาธินั้นให้อยู่ต่อไปด้วยการเจริญปัญญาขณะที่เข้าไปสู่อ ป, ปนาสมาธิขณะที่ใจสงบนิ่งไม่มีความคิดปรุงแต่งสักแต่ว่ารู้นี้ไม่ควรที่จะเจริญปัญญาไม่ควรที่จะพิจารณาอะไรทั้งนั้นเพราะจะทำลาย ความสงบที่มีอยู่ต้องรอให้ออกมาจากสมาธินั้นก่อนออกเ ว, เวลาออกก็คือเวลาใจเริ่มคิดปรุงแต่งนั่นเองคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้รับรู้เรื่องผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายเวลานั้นถึงเป็นเวลาที่ควรจะพิ จ, จารณาอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่อยเหมือนกับ ตอนที่ไม่มีสมาธิตอนก่อนเข้าสมาธิต้องมาฝึกใจให้คิดไปในทางปัญญาถ้าใจไม่ได้รับการฝึกฝนออกจากสมาธิมาแล้วใจก็จะคิดแบบเดิมก็จะคิดไปตามทางของอวิชชาปัจจยาสังขาราเวลาก่อนที่จะเข้าสมาธิใจของผู้ ของผู้ปฏิบัติทุกคนที่ไม่มีปัญญาก็จะคิดไปในทางอาวิชชาปัจจยาสังขาราคิดไปเพื่อให้เกิดตัณหาความอยากต่างๆขึ้นมาถ้าต้องการที่จะรักษาความสงบของใจให้อยู่ต่อไปหลังจากออกจากสมาธิมาแล้วผู้ปฏิบัติจำเป็นจะต้องใช้ธรรมาปัจจยาสังขาราใช้ธรรมเป็นผู้นํา ผู้ผักดันให้สังขารคิดไปในทางของธรรมทางของธรรมคืออะไรก็คืออนิจจ์ทุกขังอนัตตาอาสุภะอาหาเรใปฏิกูลสัญญานี้เองพอออกมาจากสมาธิแล้วควรพิจารณาควรคิดไปในทางอนิจจงอนัตตาทุกขงังอสุภะอาหาเรใปฏิกูลสัญญา เช่นดูร่างกายว่าร่างกายนี้ไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามเป็นเพียงร่างกายเป็นร่างกายที่มีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาไม่มีตั ว, ไ ม, มตวไม่มีตนอยู่ในร่างกายอันนี้ผู้ที่มาครอบครองร่างกายไม่ได้อยู่ในร่างกายนี้เพียงแต่ใช้ร่างกายนี้เป็นเหมือนกับรถยนต์คันหนึ่งเท่านั้นเอง คนขับกับรถยนต์นี้เป็นคนละคนกันเป็นคนละส่วนกันคนขับไม่ได้เป็นรถยนต์รถยนต์ไม่ได้เป็นคนขับฉันใดใจผู้ที่มาครอบครองร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนคนขับร่างกายคนขับร่างกายไม่ใช่ร่างกายเพียงแต่ใช้ร่างกายให้ทําอะไรต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของใจเท่านั้นเวลาที่ร่างกายนี้ตายไป คนที่ขับร่างกายนี้คือใจก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายอันนี้ให้พิจารณาอย่างนี้ให้แยกแยะใจออกจากร่างกายให้ดูว่าร่างกายนั้นมีเพียงอาการ32เท่านั้นเองคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก ม, ม้ามหัวใจตับผังผือไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่า เยื่อในสมองศีรษะน้ำดีน้ำสเลดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงือน้ำอัญมณ์น้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูดนี่คืออาการ32อาการที่ประกอบขึ้นมาเป็นร่างกายของทุกๆคนแต่ร่างกายของทุกๆคนนี้ไม่มีไม่มีตัวตนคือตัวที่สั่งให้ร่างกายทําอะไรนี้ไม่ได้อยู่ในร่างกาย ย็นตัวที่สั่งที่เป็นพ่อก็ดีเป็นแม่ก็ดีเป็นพี่ก็ดีเป็นน้องก็ดีเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นลูกเป็นหลานก็ดีไม่ได้อยู่ในตัวร่างกายเป็นตัวเป็นคนขับร่างกายอันนี้เวลาร่างกายนี้ตายไปคนที่ขับร่างกายนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเหมือนกับรถยนต์กับคนขับรถยนต์คนขับรถยนต์ไม่ได้เป็นอะไรไปกับรถยนต์ เวลารถยนต์หมดสภาพไปเอาไปทําลายก็ทําลายแต่ตัวรถยนต์ไม่ได้ไปทําลายคนขับรถยนต์คนขับรถยนต์ก็ไปหารถยนต์คันใหม่มาขับต่อถ้ายังมีความต้องการที่จะใช้รถยนต์อยู่ร่างกายของทุกคนก็แบบเดียวกันพอร่างกายนี้เสื่อมสภาพลงไปพอตายไป ก็เอาไปเผาเอาไปฝังเอาไปคืนแผ่นดินคืนดินน้ำลมไฟไปน้ำก็แยกออกจากร่างกายลมก็แยกออกจากร่างกายไฟก็แยกออกจากร่างกายเหลืออยู่ก็เป็นส่วนที่เป็นดินทิ้งไว้ต่อไปก็ผุเปื่อยกลายเป็นดินไปนี่คือความจริงของร่างกายไม่เป็นสัตว์ไม่เป็นบุคคล ไม่เป็นหญิงไม่เป็นชายไม่เป็นพ่อไม่เป็นแม่ไม่เป็นพี่ไม่เป็นน้องไม่เป็นสามีไม่เป็นภรรยาเป็นเพียงอาการสามสิบสองเป็นดินน้ำลมไฟนี่คือการพิจารณาทางปัญญาที่เรียกว่าอนิจจ์อนัตตาเป็นทุกข์เพราะอะไรเป็นทุกข์เพราะไปหลงคิดว่าเป็นตัวเราของเรานั่นเองใจที่มาครอบครอง ไม่มีปัญญาไม่มีใครสั่งใครสอน <c oughs> ก็เลยไปเหมาไปตู่เอาว่าร่างกายนี้เป็นใจทั้งๆที่ร่างกายทั้งๆ ท, ท, ท, ท, ท, ที่ใจนี้ไม่เคยแก่ไม่เคยเจ็บไม่เคยตายแต่พอไปคิดว่าร่างกายเป็นใจขึ้นมาเวลาร่างกายเป็นอะไรก็คิดว่าใจเป็นตามร่างกายไปคิดว่าใจแก่ด้วยเจ็บไปด้ว ย, ตา ย, วยตายไปด้วยกับร่างกาย แต่ใจนี้เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายนี่คือเรื่องของการพิจารณาทางปัญญาที่ควรจะทำหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้ว mm hmm. เพื่อที่จะได้แก้ปัญหาคือความอยากต่างๆความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ก, ก็จะหมดปัญหาไปถ้า เข้าใจธรรมชาติของร่างใจของร่างกายว่าเป็นอะไรว่าเป็นเพียงการรวมตัวของดินน้ำลมไฟที่จะต้องมีการแยกออกจากกันไปในที่สุดถ้าเห็นแล้วก็จะปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยวางร่างกายทั้งของตนเองและของผู้อื่นจะไม่ทุกข์จะไม่ร้องหม่มร้องไห้จะไม่วุ่นวายใจไปกับการตายของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นของไขก็ตามเพราะรู้ว่าเจ้าของของร่างกายนั้นไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายนี้เป็นเพียงตุ๊ ก, กตาตัวหนึ่งหรือเป็นคนรับใช้ของใจเท่านั้นเองใจที่ใช้ร่างกายนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเช่นใจของพ่อของแม่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายของพ่อของแม่ ใจของสามีของภรรยาไม่ได้ตายไปกับร่างกายของสามีของภรรยาจึงไม่มีเหตุที่จะต้องมาร้องห่มร้องไห้เศรา้าโศกเสียใจเหมือนกับเวลารถยนต์ของสามีของภรรยาพังไปขายไปหรือเอาไปซื้อใหม่เปลี่ยนใหม่ก็ไม่เห็นมีการร้องห่มร้องไห้กันเพราะรู้ว่าตัวสามีตัวภรรยาตัวพ่อตัวแม่ น, นี้ ไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายนั้นเองนี่คือการพิจารณาเพื่อจะได้กําจัดความหลงที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดความอยากต่างๆขึ้นมาต้องพิจารณาร่างกายพิจารณาเวทนาเวทนาก็คือความสุขความทุกข์หรือความไม่สุขไม่ทุกข์ที่เกิดขึ้นผ่านทางร่างกายร่างกายนี้ ก็มีเวทนาสามชนิดสุขเวทนาทุกขเวทนาไม่สุขไม่ทุกขเวทนาเวทนาทั้งสามนี้เขาก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามเหตุตามปัจจัยบางวันก็สุขบางวันก็ทุกขบางวันไม่สบายปวดท้องก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาบางวันอาการปวดท้องหายไปก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมา มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปสั่งมันได้ให้มันสุขอย่างเดียวหรือเวลามันทุกข์ก็ไม่สามารถสั่งให้มันหายไปได้ถ้าอยากให้มันหายก็จะเกิดทุกข์ขึ้นมาทางใจทุกข์ทางใจนี้แหละเป็นตัวปัญหาตัวที่ทาให้ใจไม่สงบทาให้ใจวุ่นวายทำให้ใจนี้ไม่สามารถ ปล่อยวางเวทนาได้จึงต้องใช้ปัญญาสารใจให้เตรียมรับกับทุกขเวทนา <c oughs> ว่าเวลาทุกขเวทนาเกิดขึ้นมานี้อย่าไปอยากให้เขาหายปล่อยให้เขาทุกขไปใจมีหน้าที่ดูก็สักแต่ว่าดูไปเรื่อรู้ไปใจคือผู้รู้ให้สักแต่ว่ารู้ไปอย่าให้มีความอยากให้ทุกขเวทนาหายไป เพราะถ้าเกิดความอยากแล้วจะเกิดความทุกข์ที่รุนแรงกว่าทุกขเวทนาอีกชั้นหนึ่งเราก็จะทำให้สู้ทุกขเวทนาไม่ได้ถ้าไม่มีความอยากแล้วใจจะสู้กับทุกขเวทนาได้จะอยู่เฉยๆรับรู้ทุกขเวทนาได้อย่างไม่หวั่นไหวไม่เดือดร้อนใจนี่ก็คือเรื่องของการพิจารณาทางปัญญา ต้องพิจารณาว่าเวทนาก็อนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันเพื่อที่จะได้หยุดความอยากอยากให้เวทนาทุกขเวทนาหายไปเพราะถ้ามีความอยากขึ้นมาแล้วก็จะทำให้ใจไม่สงบจะทำให้ใจวุ่นวายนอกจากเวทนาแล้วก็ให้พิจารณาความไม่สวยงามของร่างกายเพื่อที่จะได้กำจัดความอยาก ที่จะเสพร่างกายเสพความสุขผ่านทางร่างกายให้พิจารณาว่าร่างกายที่เราเห็นว่าสวยว่างามนี้มันเป็นเพียงครึ่งเดียวของความจริงของร่างกายความจริงอีกด้านหนึ่งของร่างกายก็คือความไม่สวยไม่งามซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนังเช่นดูอวัยวะต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ผิวหนังดูเนื้อเอ็นกระดูกดูหัวใจตับผังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศรีรษะน่ถ้าเห็นอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายในภายใต้ผิวหนังแล้วความรู้สึกที่คิดว่าร่างกายสวยงามแล้วเกิดมีกลามมีอารมณ์ขึ้นมาก็จะดับไปได้ หรือจะพิจารณาดูตอนที่ร่างกายตายไปแล้วก็ได้ว่าสวยงามไหมเป็นนางงามจักรวาลเป็นดาราภาพยนตร์รูปหลอรูปสวยงามขนาดไหนเวลาตายนี้น่าดูหรือไม่นึกถึงเวลาที่ร่างกายเขาตายไปไปหัดดูสร้างศพไปดูศพของคนไปดูศพ บ, บ้างอให้เห็นว่าเวลาตายแล้วเป็นอย่างไร ยิ่งถ้าเป็นศพที่หลายวันศพที่ไม่มีการตกแต่งศพที่ไม่มีการฉีดยาศพที่ก็ปล่อยให้เปื่อยให้เสื่อมไปตามธรรมชาติให้ขึ้นอืดขึ้นพองอะไรต่างๆเหล่านี้ให้ดูให้พิจารณาเพื่อเวลาที่เห็นภาพสวยๆงามๆของร่างกายจะได้มีส่วนที่ไม่สวยไม่งามนี้มา ป้องกันมายับยัง้งไม่ให้ใจเกิดความรักความใคร่ขึ้นมานี่เรียกว่าการพิจารณาอาสุภะการพิจารณาอาหารเลยปฏิกูลสัญญาก็พิจารณาให้เห็นว่าอาหารนี้มันมันก็มีทั้งส่วนที่น่ารับประทานและส่วนที่ไม่น่ารับประทานเวลาที่มันอยู่ในจานนี่มันน่ารับประทานแต่พอเวลามันเข้าไปในปาก ถูกเค้ยวถูกบดผสมกับน้ำลายมันไม่น่ารับประทานแล้วถ้าเวลาเกิดความอยากรับประทานอาหารในเวลาที่ไม่ควรจะรับประทานหรือรับประทานมากเกินไปก็ให้พิจารณาดูส่วนที่ไม่สวยไม่งามไม่น่าดูของอาหารบ้างเจนอาหารที่อยู่ในปากคลายมันออกมาดูคลายอาหารที่เคี้ยวบดนี้ออกมาดูแล้วลักเข้าไปในปาก กับเข้าไปใหม่ได้หรือไม่หรืออาหารที่อาเจียนออกมาจากท้องหรืออาหารที่ขับถ่ายออกมาจากทวารอันนี้พิจารณาดูเพื่อที่จะได้รับจะได้ระ ง, งับความอยากรับประทานอาหารแบบไม่มีขอบไม่มีเขตเพราะการรับประทานอาหารมากเกินไปก็เป็นโทษต่อการบําเพ็ญได้จะทําให้ง่วงเหงาเหงานอนจะทําให้เกลียดคราน จะทำให้ไม่มีอารมณ์ที่อยากจะเจริญสติเพื่อควบคุมความคิดปุุงแต่งต่างๆอยากจะคิดถึงแต่รูปของอาหารกลิ่นของอาหารสีสันของอาหารเท่านั้นการบาเพ็ญเพื่อที่จะทำให้ใจสงบก็จะเป็นอุปสรรคได้ก็จำเป็นที่จะต้องพิจารณาเรื่องของความไม่น่าดูความโสโครกของอาหารเพื่อที่จะได้ มีความพอประมาณกับการรับประทานอาหารมัตตัญุตาโภชนาะคือให้รู้จักประมาณกับการรับประทานอาหารรับประทานเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพื่อให้อยู่ได้ไปวันหนึ่งเพื่อดับความหิวต่างๆให้หมดไปแต่ไม่ได้รับประทานเพื่อหาความสุขจากการรับประทานนี่คือเรื่องของปัญญาของผู้ปฏิบัติ ที่จะควรจะพิจารณาตามตามสภาพตามวาระตามโอกาสที่สมควรเวลาใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องใดก็ต้องพิจารณาด้วยปัญญาเหล่านี้ถ้ามีปัญหากับร่างกายก็ต้องพิจารณาร่างกายให้ว่าเป็นไตรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้ามีกามารมณ์กับร่างกายก็ต้องพิจารณาอสาุภะถ้ามี ปัญหากับเวทนาทุกขเวทนาก็ต้องพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาของทุกขเวทนาถ้ายังไม่มีปัญหาเกิดขึ้นก็ให้พิจารณาทาการบ้านไปก่อนเช่นออกมาจากสมาธิร่างกายยังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยยังเป็นปกติอยู่ยังไม่มีความหิวความอยากในการอารมณ์หรือในอาหารต่างๆก็ พิจารณาไว้เป็นทำการบ้านไปก่อนเพื่อจะได้เวลาเกิดปัญหาขึ้นมาเวลาต้องเข้าห้องสอบจะได้สอบผ่านนั่นเองการเจริญปัญญานี้ก็เป็นเหมือนกับการเรียนหนังสือการเรียนหนังสือไปโรงเรียนครูเขาก็สอนในห้องเรียนสอนแนวเขาก็ให้การบ้านเรากลับมาทําเมื่อเรา กลับมาทาการบ้านได้ต่อไปเวลาถึงเวลาเข้าห้องสอบเราก็จะทําข้อสอบได้เพราะข้อสอบนี้ก็จะมาจากการบ้านที่เราทํานี่เองดันใดการพิจารณาปัญญาพิจารณาใจรักพิจารณาอาสุภะพิจารณาอาหารเปฏิกุลสัญญานี้ก็เพื่อที่จะเตรียมตัวเตรียมใจให้มีเครื่องไม้เครื่องมือไว้ต่อสู้กับความอยากต่างๆ ที่จะปรากฏขึ้นมาถ้าปรากฏขึ้นมาก็ต้องใช้ทันทีถ้าถูกบังคับให้ต้องพิจารณาทางปัญญาก็ต้องพิจารณาทันทีเจนออกมาจากสมาธิแล้วก็มาได้พบได้สัมผัสกับปัญหาต่างๆก็ต้องใช้ปัญญาเข้าไปแก้พิจารณาว่าทุกอย่างเป็นตายลักเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตา ถ้าเห็นว่าเป็นใจลักก็จะปล่อยวางได้ปัญหากันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับใจก็ไม่มีส่วนปัญหาที่มีอยู่กับสิ่งต่างๆนั้นก็แก้ไปตามเหตุตามผลไปแก้ได้ก็แก้แก้ไม่ได้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแก้ไม่ได้เดี๋ยวมันก็หมดปัญหาไปเองเพราะในที่สุดมันก็ต้องเสื่อมหมดไปอยู่ดีนี่คือเรื่องของปัญญาที่เรา ควรจะพิจารณากันหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วไม่ควรปล่อยใจให้คิดใบเรื่อยเปื่อยเหมือนเหมือนเมื่อก่อนนี้คิดเห็นร่างกายกายของคนนั้นคนนี้ก็ไปคิดว่าเป็นลูกเป็นหลานเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นบุตรเป็นธีดาเป็นพ่อเป็นแม่พอคิดอย่างนั้นแล้วมันก็จะเกิดความวิตกกังวลวุ่นวายใจขึ้นมา แต่ถ้ามองเห็นร่างกายของเขาว่าเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเป็นอาการสาสองความวุ่นวายใจต่างๆมันก็จะไม่มีถ้าเห็นว่าเขาก็ในที่สุดก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปความวุ่นวายใจเกี่ยวกับบุคคลต่างๆก็จะไม่มีถ้ามีปัญหาพอที่จะช่วยแก้ให้เขาได้ก็แก้ไปตามเหตุตามปัจจัยแก้ได้ก็แก้แก้ไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันไป แล้วจะไม่มีปัญหากับผู้ที่มีปัญญาผู้ที่มีสมาธิผู้ที่มีสติใจจะมีความสงบอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อันใดเกิดขึ้นกับร่างกายของตนก็ดีกับร่างกายของผู้อื่นก็ดีกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของตนก็ดีกับสถานภาพของตนก็ดีเคยเป็นใหญ่เป็นโตมาวันดีคืนดีอาจจะถูกลดตำแหน่ง บดสถานภาพมาให้กลายเป็นคนต่ำคนต้อยก็ได้แต่สำหรับผู้ที่เจริญปัญญาอยู่ตลอดเวลาผู้ที่รู้ความเป็นจริงของราบยศสลเสริญสุขว่าเป็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะไม่ยึดก็จะไม่วุ่นวายเพราะจะไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งที่ได้มาสิ่งที่มีอยู่ พราะรู้ว่าไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งก็ต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปหรือมีการพัดพรากจากการไปนี่คือผู้ที่มีปัญญาจะไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆจะไม่เห็นว่าปัญหาที่โลกถือว่าเป็นปัญหานี้เป็นปัญหาเพราะจะเห็นว่าเป็นเรื่องปกติไปเรื่องของการเจริญของการเสื่อมของสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติ แต่เป็นปัญหาสําหรับผู้ที่อยากให้มีแต่ความเจริญเพียงอย่างเดียวเป็นปัญหากับผู้ที่ไม่อยากให้มีความเสื่อมแต่จะไม่เป็นปัญหากับผู้ที่รู้ว่าเป็นเรื่องปกติว่าจะต้องมีการเจริญจะต้องมีการเสื่อมจะต้องมีการสูญสลายจะต้องมีการพัดพาคจากกาันมีการดับไปเป็นธรรมดานี่คือหน้าที่ของปัญญาที่เราจะต้อง สร้างขึ้นมาให้ได้เพื่อที่จะได้รักษาความสงบของใจที่ได้จากสมาธิพอออกจากสมาธิมานี้ความสงบยังมีอยู่จะหายไปก็ต่อเมื่อเกิดตัณหาความอยากขึ้นมาแต่ถ้ามีปัญญาคอยสกัดคอยทำลายตัณหาความอยากความสงบก็จะอยู่ต่อไปเราจะอยู่ไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุด ถ้าไม่มีตัณหาหลงเหลืออยู่ภายในใจอย่างใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอ า, หารหันตสาวกทั้งหลายใจของท่านสงบตลอดเวลาเพราะว่าท่านมีปัญญาคอยกาจัดตัณหาความอยากที่จะโผล่ขึ้นมาจนไม่มีตัณหาความอยากโผล่ขึ้นมาอีกต่อไปใจของท่านก็เลยเป็นปรมังสุขขังเป็นบรมมาสุขไปตลอดเวลา จนถึงบัดนี้ตั้งแต่วันที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรู้ว์วันเพ็ญเดือนหกจนมาถึงวันนี้ความสงบของพระพุทธเจ้าก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่เป็นยังไงในวันนั้นก็ยังเป็นอย่างนั้นในวันนี้อยู่และจะเป็นอย่างนี้ต่อไปไม่มีวันสิ้นสุดใจของพวกเราตั้งแต่วันเพ็ญเดือนหกจนถึงวันนี้เป็นอย่างไรก็มีแต่เรื่องวุ่นวายตลอดเวลา มีแต่ความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องนั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ไม่มาอย่างต่อเนื่องและจะมีอย่างนี้ต่อไปไม่มีวันสิ้นสุดเช่นเดียวกันถ้าพวกเราไม่น้อมนำเอาเพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาบาเพ็ญมาปฏิบัติกันถ้าไม่ทำถึงแม้ว่าจะเป็นชาวพุทธแล้วนับถือพระพุทธศาสนาไปจนวันไปตลอดอนันตการ การนับถือเพียงอย่างเดียวก็ไม่พอเพียงการทำบุญให้ทานเพียงอย่างเดียวก็ไม่พอเพียงการรักษาศีลเพียงอย่างเดียวก็ไม่พอเพียงจะพอก็ต่อเมื่อได้มีการบาเพ็ญสมถะวิปัสสนาภาวนานั้นดังนั้นถ้าเรายังไม่ได้เข้าถึงขั้นสมถะวิปัสสนาภาวนามันก็เป็นเป้าหมายที่พวกเราควรจะตั้งเป้าเอาไว้ว่าเราจะต้องก้าวเข้าไปสู่ ขั้นนั้นให้ได้เหมือนกับนักเรียนที่เรียนหนังสือถ้ายังไม่ได้เข้ามาหาวิทยาลัยเขาก็ต้องตั้งเป้า ว, ว่าจะต้องไป่อบในมาหาวิทยาลัยให้ได้จบหกแล้วก็ต้องไปสอบเอนทรานซ์เพื่อจะเข้าให้ได้ปีนี้เข้าไม่ได้ปีหน้าก็สอบใหม่ถ้าเป็นนักเรียนที่ไม่สามารถจบมหกได้ไปทางสายวิชาชีพ ไปปวาสาปวาชพอจบปวาสาแล้วก็ย้ายเข้ามาหาลายต่อก็ได้ต้องป้องเป้าไว้ว่าจะต้องเข้าสู่อุดมศึกษาให้ได้และถ้าเป็นไปได้ก็ให้มันถึงขั้นระดับปริญญาเอกไปเลยให้มันไปถึงขั้นสุดของมันเลยขั้นสุดของของความรู้ของวิชาความรู้ต่างๆการปฏิบั ต, ติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นแบบนั้น เป็นขั้นเหมือนกันเป็นขั้นทานเป็นขั้นศีลละเป็นขั้นภาวนาเข้าขั้นภาวนาแล้วก็จะพาไปสู่ขั้นอริยบุคคลขั้นต่างๆขั้นโสดาบันแล้วก็ขึ้นสู่ขั้นสกิดาคามีขั้นสกิดาคามีก็สู่ขั้นอนาคามีขั้นอนาคามีก็ขึ้นสู่ขั้นอรหันต์ตามลำดับต่อไปถ้าตราบาตราบใดยังมีการบําเพ็ญมีการปฏิบัติอยู่ มีการเจริญสติสมาธิปัญญาอยู่อย่างต่อเนื่องทำเหล่านี้ทำขั้นต่างๆเหล่านี้จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับอย่างแน่นอนแต่ถ้าไม่มีการเพียงไม่มีการปฏิบัติต่อให้เคารพนับถือพระพุทธศาสนาไปจนวันตายก็จะไม่สามารถทำให้ทำขั้นต่างๆเหล่านี้ปรากฏขึ้นมาได้ไม่สามารถที่จะทำให้ใจสงบ มีความสุขไปตลอดได้อยู่ที่ความเพียรความพยายามที่จะเจริญที่จะปฏิบัติสมถภาวนาและวิปัสสวิปัสนาภาวนานี้เท่านั้นจึงขอฝากเรื่องของการแก้ปัญหาคือการคือการมาทำใจให้สงบนี้เพื่อจะได้มีความสุขแล้วจะได้ไม่ต้องไปหาเรื่องหาเรากวกับสิ่งต่างๆ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 เอวเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกาปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพโปรเณตุสังกปาจันทูปนาละโสยทามณิโชติละโสยทาสพีติยวิวาจจตุสัพโรโควินัสตุ มาเตภวัตตวันตราโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนศีลิสะนิจยังมุทธาปจายโนจัตตารโรธรรมาวทานติอายุวันโสุขังภาลังช่วงนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหา ตอนนี้ทางบ้านเขาไม่มีปัญหาวันนี้พขอคงจะฟังทำเรื่องแก้ปัญหาก็เลยรู้แล้วว่าปัญหาอยู่ที่ใจของตอนเองถ้าทำใจให้สงบแล้วปัญหาก็หมดไปว่ายังไงหนู่เนาะอ่านีสาธุสาธุเป็นเด็กดีนะ เราขึ้นบวชให้ได้นะมีใครอยากจะถามปัญหาไหมถามได้นะตอนนี้เดี๋ยวขอไม้ไหน่อยนิกราบนวันศการถามพระอาจารย์ครับก็คือขณะที่นั่งภาวนาอยู่ทุกถิง่งทุกอย่างเงียบไปหมดแล้วก็ อยู่ที่สักแต่ว่ารู้พอได้สักระยะหนึ่งแล้วพอจิตถอนออกมาก็มีเสียงบอกว่ามโนโมิทธิอะไรประมาณนี้นะครับก็คือตอนนั้นก็ทาได้แต่สักแต่ว่ารู้คิดแค่ว่าเป็นนิมิตก็เลยว่าเอาคำถามมากราบเรียนถามพระอาจารย์ให้พระอาจารย์ก็พิจ<น>ารณ<น>าว่าเป็นตายรับ เห็นอะไรได้ยินอะไรรับรู้อะไรก็พิจารณาว่าเป็นตายรักอันนี้จังทุกขังเราเนื้ตาไปเพื่อจะได้ไม่ต้องไปมีความผูกพันกับสิ่งที่เราได้รู้ได้เห็นถ้าเราไม่เห็นว่าเป็นตายรักเราก็อาจจะหลงคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันดีหรือไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็จะเกิดตันหาความอยากขึ้นมาได้ถ้าดีก็อยากจะให้มันอยู่ถ้าไม่ดีก็อยากจะให้มันหายก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา ถ้าพิจารณาว่ามันเป็นใจล้วเหมือนฝนฟ้าอากาศมันจะมาก็ปล่อยมันมาไปมันจะไปก็ปล่อยมันไปมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปไม่มีอะไร อ, อ, อยู่ไปตลอดมีมเกิดแล้วก็ต้องมีดับงันอย่าไปหลงไปยึดไปติดอย่าไปอยากให้เขาอยู่หรืออยากให้เขาไปแล้วก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา ครับแล้วความหมายของคำว่ามโนไม่ยิทติดเราไม่ต้องไปรู้มันหรอกเมื่อไม่รู้ก็ไม่ดีแล้วไปรู้มันทำไมถ้าอยากจะรู้ก็ลองไปเปิดในกูกเก l e ดู น, นะกลามธรมมสการพระอาจารย์ค่ะคือหนูก็ปฏิบัติทำ ม, มาได้สักห้าหกเดือนแล้วค่ะก็นั่งสมาธิตอนอแรกๆนี้จะนั่งได้ไม่นานปวดขาแล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่าดีขึ้นแต่ นั่งไปนั่งไปเหมือนแขนขาเหมือนมันมารวมกันแล้วมันพองขึ้นนะคะแล้วอพอจิตมันเริ่มสงบหนูก็ดูลมหายใจก็พุโทโธไปด้วยพุทเข้าโรออกนะคะพอสงบแล้วต้องอพุโทโธต่อไหมคะหรือว่าถ้ามันสงบจริงพุโทโธมันก็จะหายไปมันมันไม่หายแต่ว่ามันมรู้สึกว่า มืหายกบพุโทโธป่ะถ้ามันยังมีความคิดปรุงแต่งอยู่ว่าต้องพุโทโธต่อไปไม่ให้มันคิดเนี่ยดูลมไปด้วยพุโทโธไปด้วยได้ใช่ไหมคะได้หลือจะแยกกันก็ได้เอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แล้วแต่ความถนัดแล้วแต่ความเหมาะสมจะเอาพุโทโธอย่างเดียวก็ได้จะดูลมอย่างเดียวก็ได้แล้วอีกคําถามหนึ่งค่ะการที่เรานอนละเมอนี่มันเกิดเกี่ยวกับจิตไหมคะ ก็คงจะเป็นเรื่องของจิตนะเพราะธรรมดาร่างกายถ้าไม่มีจิตมันก็จะไม่ละเมอไปดูคนตายมันนอนตั้งไงมันก็เห็นมันละเมอขอบุณค่ะจิตจิตของดาราณอาจจะสงบไม่สงบมากไม่เหมือนกันเวลานอนแล้วจิตยังละเมออยู่มันก็ออกมาทางผ่านทางร่างกายละเมอเป็นคำพูดอะไรร่างกายมันพูดเองได้ที่ไหนโดยที่เราไม่รู้สึกตัว มันคือจิตใต้สำนึกใช่ไหมค ะ, ะจิตใต้สติน่ะคือสติไม่มีแต่จิตมันก็ยังคิดปรุงแต่งของมันอยู่อีกหนึ่งคำถามค่ะพระอาจารย์คื อ, อเวลาที่เราไปทํางานนะคะเจ อ, อเพื่อร่วมงานเขาพูดแบบพูดจาไม่ค่อยดีใส่เราเราก็ไปหนูก็พยายามจะควบคุมอารมณ์นะคะแต่ว่ามันใช้ปัญญาสิพิจรณาตายรักห้ามเขาไม่ได้เป็นอนัตตาค่ะ คติธรรมทุกขังนัตตาถ้าอยากให้เขาพูดดีก็จะทุกถ้าอยากให้เขาหยุดพูดร้ายก็จะทุกถ้าปล่อยให้เขาพูดก็จะไม่ทุกต้องยินดีฮะพูดไปเลยอยากจะพูดอะไรทําตัวเป็นเหมือนต้นเสาเนี่ยตอนพิจารณามันก็ได้อยู่แต่ว่าเจอจริงๆแล้วมันโมโหโทันทีเลยค่ะก <laughs> ็แสดงว่าสมาธิมีกําลังน้อยออก็ต้องฝึกฝนอบรมทำการบ้านเยอะๆพิจารณาบ่อยๆ แล้วอสถานที่ที่อยู่มันเป็นห้องเช่านะคะมันจะเป็นถนนแล้วจะมีรถวิ่งไปวิ่งมาแต่มันก็สงบได้อยู่แต่มันก็แบบไม่ไม่ได้เต็มที่ค่ะพระอาจารย์ก็เป็นเรื่องของสปายะของสถานที่มันไม่สปายะก็ต้องย้ายสถานที่ไปอยู่วัดเลยไปอยู่วัดยังยังต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่นะค ะ, ะพ่อแม่เลี้ยงตัวเองไม่ได้เนย อ๋อมีพาลานิสินเยอะค่ะรอจาจย์ปัญหาก็คือไม่มีความสงบเลยต้องไปกู้นี่ยืมสินเพื่อที่จะได้ทำให้ใจมีความสุขถ้ามีความสงบแล้วก็ไม่ต้องไปกู้นี่ยืมสินบอกพ่อแม่บอกไปนั่งสมาธิกันเถอะแล้วเดี๋ยวก็ไม่ต้องไปซื้อนู่นซื้อนอี่ก็พยายามให้เข้าวันบ่อยๆแต่ท่านก็<ม>เหมือนว่านะคะคน<ย>แก่อย่างนั้นก็แก้ไม่จบแล้ว เดี๋ยวมีเงินมาเท่าไหร่ก็อยากจะซื้อนู่นซื้อนี่ต่อยไงค่ะหมดคำถามแล้วค่ะขอบพระคุณค่ ะ, ะก็มีคำถามจะต้องถามว่าจะทำไงกับเวลาที่เหลืออยู่นี่ะ <laughs> จะกลับหรือจะนั่งสมาธินั่งก็ได้ประมาณถ้าครึ่งชั่วโมง มีใครอยากจะนั่งไหมหรืออยากจะกลับบ้าน mm hmm. แสดงว่าตอนนี้มีความรู้กันมีความเข้าออเข้าใจกันพอมาฟังก็อย่างน้อยก็สองปีแล้ว mm hmm. เริ่มเทศมาตั้งแต่มีนาสอง6ันห้าร้อยห้าสิบหกนี่ก็กร ก, กรกดา mm hmm. เดือนเจ็ดก็สองปีสี่เดือน ก็มากพอสมควรถ้ามาฟังอย่างต่อเนื่องก็คงจะจับประเด็นได้ว่าปัญหาอยู่ที่ตรงไหนแล้ววิธีแก้ปัญหาแก้อย่างไรเพราะมันก็มีแค่แค่นี้เองคือให้รู้ว่าปัญหาอยู่ที่ใจเราอยู่ที่ความไม่สงบแล้วก็หาวิให้รู้จักวิธีทำใจให้สงบเมื่อรู้แล้วขั้นต่อไปก็ต้องนาเอาไปปฏิบัติ จะฟังอีกกี่ครั้งกี่ร้อยกี่พันครั้งถ้าไม่เอาไปปฏิบัติมันก็มันก็จะไม่ได้ผลงั้นผู้ที่มาฟังจนเข้าใจแล้วรู้ว่าต้องทําอะไรแล้วก็ต้องถึงขั้นที่จะต้องตัดสินใจว่าจะทําหรือไม่ทําถ้าไม่ทํามันก็ไม่เกิดผลถ้าทํามันก็จะเกิดผลเหมือนสมัยที่เราเริ่มศึกษาอ่านหนังสือเราก็อ่านอยู่ได้สองสามเดือน เราก็มาได้ข้อสรุปว่าเอาแล้วเมื่อไหร่จะเริ่มปฏิบัติสักทีก็เลยเอามันตอนนั้นเลยยังไม่อ่านเรื่องสมาธินั่งสมาธิเรื่องเจริญสติเรื่องอะไรมาอ่านจนเข้าอกเข้าใจแล้วแต่ยังไม่ได้นั่งสักทีก็เลยนั่งมันตอนนั้นเลยพอพอพอมันคิดได้ขึ้นมาว่าอ๋อเราต้องปฏิบัตินะก็เลยเอาตรงนั้นเลยนั่งมันตรงนั้นไปเลยแล้วก็ จากวันนั้นมามันก็นั่งมาตลอดทำมาตลอดทำบ้างทำน้อยก็ทำมันไปวันหนึ่งทำได้มากทำได้น้อยเท่าไหร่ก็ทำไปแล้วมันก็จะเพิ่มกำลังขึ้นไปตามลำดับเองเหมือนกับการปลูกต้นไม้ถ้าเราไม่เริ่มปลูกในวันนี้อีกสิบปีต้นไม้มันก็ไม่ใหญ่ไม่โตแต่ถ้าเราปลูกวันนี้แล้วเราคอยหมันรดน้าพรวนดินคอยดูแลรักษามันไป มันก็จะค่อยจะเรเติบโตขึ้นไปที่เราเล็กเทาน้อยแล้วพอไม่นานห้าปีสิปีมันก็กลายเป็นต้นไม้ใหญ่ขึ้นมาการปฏิบัติธรรมก็เป็นลักษณะนั้นจะหวังแบบเอาปลูกวันนี้แล้วก็ให้มันออกดอกออกผลในวันนี้เลยนี่มันก็ไม่ใช่เป็นของที่จะเป็นไปได้ง่ายเป็นอาจจะเป็นได้สำหรับบางคนที่เป็นได้ก็เพราะว่าเขาได้ปลูกมานานแล้ว เขาเพียงแต่ขาดปุ๋ยที่จะมาคอยเร่งให้มันออกดอกออกผลเท่านั้นเองอย่างพวกที่ฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุเลยเนี่ยก็เป็นเหมือนกับพวกที่ได้ปลูกต้นไม้มาหลายปีแล้วศีลได้รักษามาแล้วสมาธิได้แล้วจิตรวมเป็นหนึ่งแล้วแต่ขาดปัญญาพอมาฟังเทศมาฟังปัญญาของพระพุทธเจ้าก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้เลย อันนี้เป็นพวกที่เขาได้ปลูกฝังจิตใจของเขาด้วยธรรมะมานานแล้วส่วนพวกเราสมาธิยังไม่มีศีลยังไม่มีจะหวังว่าฟังธรรมปั๊บแล้วก็จะบรรลุนี่ก็คงจะเป็นแต่ความฝันเท่านั้นคงจะไม่เป็นความจริงความจริงก็ต้องมาสร้างศีลให้เกิดขึ้นมาสร้างสมาธิให้เกิดขึ้นแล้วก็มาเอาปัญญาที่ได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้า เอามากระตุ้นให้เกิดมรรคผลนผิพพานขึ้นมาถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็จะไม่มีมรรคผล น, ผนิพพานจะมีได้ก็แค่ศีลกับสมาธิที่มีอยู่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงมาตัดสรู้พระพุทธเจ้าเองก็ไม่รู้ปัญญาที่พระองค์ทรงตัดสรู้ขึ้นมาในภายหลังแล้วก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครสามารถสั่งสอนบอกพระพุทธเจ้าได้ว่า ปัญญาที่จะทําทให้เกิดมรรคผลนิพพานขึ้นมานี้คืออะไรพระพุทธเจ้าก็เลยต้องค้นคว้าด้วยพระองค์องเองจนในที่สุดก็สองคนพบไตลังคนพบอริยสัจสี่ค้นพบอสุภะอค้นพบอาหาเลยปฏิกูลสัญญานี่แหละคือปัญญาของพระพุทธเจ้าที่ไม่มีใครรู้ใครเห็นมาก่อน พอถูกโมหะอวิชชาปิดไว้กิเลส จ, จะไม่ยอมให้เรามองอนิจจังทุกขังอนัตตากิเลส จ, จะไม่ยอมให้เรามองอสุภะกิเลส จ, จะไม่ยอมให้เรามองอาหารเลยปฏิกูลระสัญญาเราต้องบังคับใจให้มองถ้าไม่บังคับมันจะไม่อยากมองไม่มีใครอยากจะดูอสุภะกันไม่มีใครอยากจะดูอาการสามสิบสอง ไม่มีใครอยากจะดูความแก่ความเจ็บความตายกันต้องบังคับให้มันดูแล้วดูบ่อยๆไม่ใช่ดูครั้งสองครั้งต้องให้มันดูจ น, จนชินตาชินใจจนกระทั่งมันติดอยู่กับใจไปตลอดเห็นร่างกายของใครนี้เห็นความแก่ความเจ็บความตายเห็นอสุภะขึ้นมาทันทีมันต้องเห็นแบบนั้นแล้วมันก็จะได้ทําลายความหลง ที่จะมาหลอกให้เกิดตัณหาความอยากต่างๆขึ้นมาพอไม่มีตัณหาความอยากความทุกข์ก็หมดไปความสงบก็จะอยู่อย่างถาวรต่อไปนี่คือเรื่องของการปฏิบัติต้องปฏิบัติการพิจารณาปัญญานี่มันต้องใช้เวลาต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆบ่อยๆจาแล้วจำอีกเหมือนกับการท่องสูตรคูณ หรือเหมือนกับการเรียนหนังสือนี่ต้องท่องจําให้แม่นเวลาไปสอบจะได้สอบได้ไม่ใช่พิจารณาหนสองหนแล้วบ่าเข้าใจและเข้าใจแล้วร่างกายนี่เกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่พอเจอความแก่ก็ทุกขึ้นมาเจอความเจ็บก็ทุกขึ้นมาเจอความตายก็ทุกขึ้นมาก็แสดงว่าลืมไปละเกอยความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายขึ้นมาแล้วอันนี้ก็เลย ต้องพยายามปฏิบัติให้มากเรียนรู้แล้วต้องปฏิบัตินปฏิบัติแล้วถ้าจะสงสัยอะไรก็กลับมาเรียนใหม่มาฟังใหม่เพราะที่ได้ยินได้ฟังมาอาจจะลืมไปก็ได้การปฏิบัตินี้จะต้องมีการเสริมจากการได้ยินได้ฟังเป็นระยะระยะไปอย่างที่พระเจ้าทรงบอกว่าการฟังทำตามก า, ารเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่ง เราต้องคอยหมั่นฟังอย่างน้อยก็อาทิตย์ละหนึ่งครั้งหลวงตาท่านก็พยายามเทศอบรมพระเนร์อยู่เรื่อยๆอย่างน้อยก็อาทิตย์ละหนึ่งครั้งในสมัยที่ท่านมีกําลังวังชาเพราะว่าไม่ช่นะมันลืมได้เอาละคิดว่าญาติโยมจะกลับกันแล้วก็จะขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้